อันสังยุธธมูลปัญ น, นาตวรที่ห้าปุพพวัตหมวดว่าด้วยอุปมาด้วยดอกไม้นาทีสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำไหลลงจากภูเขา พัดหญ้าใบไม้และท่อนไม้เป็นต้นไปในภายใต้ไหลไปไกลมีกระแสเชี่ยวที่ฝั่งทั้งสองของแม่น้ํานั้นถ้าแม้หญ้าขาทั้งหลายพึงเกิดหญ้าคาเหล่านั้นก็จะลู่ไปตามแม่น้ํานั้นถ้าแม้หญ้าขมบางทั้งหลายพึงเกิดหญ้าขมบางเหล่านั้นก็จะลู่ไปตามแม่น้ํานั้น ถ้าต้นไม้ทั้งหลายพึงเกิดต้นไม้เหล่านั้นก็จะลู่ไปตามแม่น้ำนั้นบูรุษถูกกระแสน้ำพัดไปอยู่ถ้าพึงจับหญ้าคาหญาคานั้นก็จะหลุดไปเขาพึงถึงความพินาศเพราะยญ้าคาเป็นต้นนั้นหลุดไปแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ก, ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตาขันห้าของเขาคือรูปเป็นต้นนั้นย่อยยับไปเขาก็ถึงความพินาศเพราะขันห้าคือรูปเป็นต้นนั้น ย่อยยับไปชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอุปสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยดอกไม้ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ขัดแย้งกับโลกแต่โลกขัดแย้งกับเราผู้กล่าวเป็นธรรมไม่ขัดแย้งกับไกลในโลกสิ่งใดที่บันดิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มี สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามีก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีเราก็กล่าวว่าไม่มีคือรูปที่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ى. ที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวรูปนั้นว่าไม่มี เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ى, ที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวว่าไม่มีนี่แหละชื่อว่าสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวว่าไม่มีอะไรเล่าชื่อว่าสิ่งที่บัณฑิตในโลก สมมุติว่ามีเราก็กล่าวว่ามีคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ผันแปร ى. ที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าวว่ามีโลกธรรมมีอยู่ในโลกตถาคตตรัสรู้รู้แจ้งโลกธรรมนั้นแล้ว จึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผ ย, ยจำแนกทำให้ง่ายก็อะไรเล่าชื่อว่าโลกธรรมในโลกที่ตถาคตตรัสรู้คือรูปจัดเป็นโลกธรรมในโลกที่ตถาคตตรัสรู้รู้แจ้งแล้วบุคคลใดเมื่อตถาคตบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผ ย, ย จำแนกทำให้ง่ายอยู่อย่างนี้ยังไม่รู้ไม่เห็นเราะจะทำอะไรกับบุคคลผู้โงเ่เขลาเป็นปุตุชนคนบอดไม่มีดวงตาไม่รู้ไม่เห็นนั้นได้และโดยนัยเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจัดเป็นโลกธรรมในโลกที่ตถาคตรัสรู้รู้แจ้งแล้ว บุคคลใดเมื่อตถาคตบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายอยู่อย่างนี้ยังไม่รู้ไม่เห็นเราจะทำอะไรกับบุคคลผู้โง่เหา่าเป็นปุถุชนคนบอดไม่มีดวงตาไม่รู้ไม่เห็นนั้นได้ภิกษุทั้งหลายดอกอุบลนก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญเทริกก็ดี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 สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หนฝั่งแม่น้ำคงคารับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคานี้ s พึงพัดฟองน้ำกลุ่มใหญ่มาบูรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำกลุ่มใหญ่นั้นโดยแยกคายได้เมื่อเขาเพ่งพิจรารณาฟองน้ำนั้น ก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในฟองน้ำจะมีได้อย่างไรแม่ฉันใดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภิกษุนั้นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยกคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยกคาย รูปก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในรูปจะมีได้อย่างไรเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกในสาหรุดูฟองน้ำเกิดขึ้นและดับไปบนผิวน้ำบุรุษผู้มีตาดีก็พึงเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำนั้นโดยแยกไขได้เมื่อพิจารณา ฟองน้ำก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยแม้ฉันใดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเพ่งพิจารณาโดยแยกคายเวทนาก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในเวทนาจะมีได้อย่างไร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 สังขารนั้นก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยนักมายากลแสดงมายากลที่ทางใหญ่สี่แพร่งบุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็นเพ่งพิจารณามายากลนั้นโดยแยกคายได้มายากลก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลย แม้ฉันใดวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาวิญญาณ น, นั้นโดยแยกคายวิญญาณก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในวิญญาณจะมีได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับ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 อุปมาด้วยมายาคนภิกษุเพ่งพิจารณาเห็นขันห้านั้นโดยแยกขายด้วยประการใดๆขันหานั้นก็ปรากฏเป็นของว่างเปล่าด้วยประการนั้นๆการละธรรมะสามประการซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีปัญญาดุดแผ่นดินทรงปรารบกายนี้แสดงไว้แล้วท่านทั้งหลาย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 ขันห้าเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเราบอกแล้วสาระในขันห้านี้ไม่มีภิกษุผู้ปรารบความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะพึงพิจารณาขันห้าทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุติในที่นี้หมายถึงนิพพานซึ่งไม่มีการตายอีกแล้ว ภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุดติพึงละสังโยชน์ทั้งปวงทำที่พึงแก่ตนประพฤติดุดบุคคลถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้นสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์กับทุกมีสิบประการได้แก่สักยญทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในธรรมศิละพะตะปรามาตความถือมั่นศินพรนติดลทัทธิพิธีเชื่อโชคลางกามราคะความติดใจในกามกุลปฏิฆะความกระทบกระทั่งในใจหรือพยาบาทความคิดร้ายรูปราคะความติดใจในรูปธรรม อรูปราคะความติดใจในอรูปธรรมมานะความถือตัวอุทจจะความฟุ้งซ่านอาวิชชาความไม่รู้จริงการจะสำเร็จเป็นพระโสดาบันต้องลักสังโยชสามข้อแรกได้ก่อนส่วนการเป็นพระอรหันต์นั้นต้องลักได้ทั้งหมด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 เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณยังได้อย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ยย่งยืนคงทนมีอยู่หรือไม่ทรงตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่จับเที่ยงแท้ยย่งยืนคงทนไม่ผันแปรนั้นไม่มีเลยลำดับนั้นทรงหยิบก้อนโคลใหม่ คือมูลโคเล็กๆขึ้นมาแล้วตรัสว่าภิกษุการได้อัตภาพแม้ประมาณเท่านี้ที่จับเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ى, แม้เพียงเท่านี้ก็ไม่มีถ้าแม้การได้อัตภาพประมาณเท่านี้จักเที่ยงแท้ยั่งยืนการอยู่ประพฤติโปรหมจรรันเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้ก็จะไม่พึงปรากฏ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 อย่างละแปด0มืสี่พันหลังมีบรรลังมีช้างต้นมีม้าต้นมีรถทรงมีแก้วมีพระสนมมีแม่โคนมมีผ้าเนื้อละเอียดมีภาชนะทองอย่างละแปด0มืสี่พันข้อนี้เป็นสำนวนที่หมายถึงว่ามากไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องมีแปด0มืนสี่พันพอดีนะครับภิกษุ ก็บรรดาเมืองแปดหมื่นสี่พันเมืองนั้นเมืองที่เราครองในสมัยนั้นมีเมืองเดียวเท่านั้นคือกุสาวดีราชธานีบรรดาปราสาทแปดหมื่นสี่พันองนั้นปราสาทที่เราครองในสมัยนั้นมีหลังเดียวเท่านั้นคือธรรมปราสาทบรรดาเรือนยอดแปดหมืนสี่พันหลังนั้นเรือนยอดที่เราครองในสมัยนั้นมีหลังเดียวเท่านั้น คือเรือนยอดมหาพยุหะข้อนี้หมายถึงแม้จะมีเมืองหลายเมืองมีปราสาทหลายหลังแต่ก็ประทับได้แค่คราวละหนึ่งหลังเท่านั้นบรรดาบรรลังแปดห0ืสี่พันบลังนั้นบรรลังที่เรานั่งในสมัยนั้นมีบรรลังเดียวเท่านั้นบรรดาช้างต้น8ปด0มสี่พันช้างนั้นช้างที่เราทรงในสมัยนั้น มีช้างเดียวเท่านั้นคือพญาช้างอุโบสถบรรดาม้าต้น8ปดหมสี่พันม้านั้นม้าที่เราทรงในสมัยนั้นมีม้าเดียวเท่านั้นคือม้าวลาหกอศวราษบรรดาราชรถ 84% ดหมพันคันนั้นราชรถที่เราทรงในสมัยนั้นมีคันเดียวเท่านั้นคือเวชยันตราชรถ บรรดาพระสนมแปดหมืนสี่พันนางนั้นพระสนมที่เรายกย่องในสมัยนั้นมีนางเดียวเท่านั้นคือนางคัตติยานีหรือนางเวลามิกาข้อนี้หมายถึงหญิงที่ถือกำเนิดจากกษัตริย์กับนางพราหมณ์หรือถือกำเนิดจากพราหมณ์กับนางกษัตริย์บรรดาผ้าแปดหมืนสี่พันโกดนั้นผ้าที่เราทรงในสมัยนั้น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 นักขับสิกขาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยฝุ่นที่ปลายเล็บเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุรูปหนึ่งทูลถามดังนี้ว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นนั้นที่จะเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่พันแปร ى, เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือไม่พระผู้มีพระภาคทรงตอบว่าไม่มีเลยและทรงช้อนฝุ่นนิดหน่อยด้วยปลายพระนาขาแล้วตรัสว่าภิกษุรูปแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่พันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นรูปแม้ประมาณเท่านี้ก็ไม่มี ถ้ารูปแม้ประมาณเท่านี้จับเที่ยงแท้ยั่งยืนการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบก็จะไม่พึงปรากฏแต่เพราะรูปแม้ประมาณเท่านี้ที่จับเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบจึงปรากฏในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกัน ภิกษุเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายกลายกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้นรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปคัทถูละพันทสูรว่าด้วยอุปมาด้วยสุนักถูกล่ามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ไกลๆรู้ไม่ได้เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมหาสมุทยังมีเวลาเหือดแห้งไปมีอยู่ไม่ได้ แต่เราก็มิได้กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปอยู่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คุนเขาสินเนรุยังมีเวลาถูกไฟเผาพินาศไปมีอยู่ไม่ได้แผ่นดินใหญ่ยังมีเวลาถูกไฟเผาพินาศไปมีอยู่ไม่ได้ แต่เราก็มิได้กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปอยู่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกลามไว้ที่หลักหรือเสาที่แข็งแรงวิ่งวนเวียนหลักหรือเสานั่นเองแม้ชันใดอุทุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่ได้เห็นไม่ได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยะารุบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตาปุถุชนนั้นแล่นวนเวียนอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารแล่นวนเวียนอยู่กับวิญญาณ เมื่ อ, อยังแล่นวนเวียนอยู่กับคันห้านั้นเรากล่าวว่าไม่พ้นจากรูปไม่พ้นจากเวทนาไม่พ้นจากสัญญาสังขารไม่พ้นจากวิญญาณไม่พ้นจากชาติชาาโมระโสกบริเทวะทุกโทมนนต์และอุปาญาตและชื่อว่าไม่พ้นจากทุกภิกษุทั้งหลาย ส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับได้เห็นได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นขันห้าคือรูปเป็นต้นนั้นโดยความเป็นอัตตาอริยาสาวกนั้นไม่แล่นวนเวียนอยู่กับขันห้าคือรูปเป็นต้นนั้นเมื่อเธอไม่แล่นวนเวียนอยู่กับขันห้านั้นยอมผลจากรูป ย่อมพ้นจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชาติชรามรนะโมรณะโสกปริเทวะภุกโทมนัสและอุปายาตและย่อมพ้นจากทุกภิกษุทั้งหลายสุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาที่แข็งแรงถ้าแม้สุนัขนั้น เดินก็เดินใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้สุนักนั้นยืนก็ยืนใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้สุนักนั้นหมอบหรือนอนก็หมอบหรือนอนใกล้หลักหรือเสานั่นเองแม้ฉันใดอุทุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นขันห้าคือรูเป็นต้นนั้นว่าเป็นอัตตาของเรา อุทุชนนั้นถ้าแม้เขาเดินก็เดินเข้าใกล้อุปาทานะขันห้าประการนี้เองถ้าแม้เขายืนก็ยืนใกล้อุปาทานะขันห้าประการนี้เองถ้าแม้เขานั่งหรือนอนก็นั่งหรือนอนใกล้อุปาทานะขันห้าประการนี้เองภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายควรพิจารณาจิตของตนหนึ่งเนือง ว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะเป็นเวลานา น, านสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วภาพจิตกรรมที่เขาเขียนไว้เธอทั้งหลายเห็นแล้วหรือไม่ทูลตอบว่าเห็นแล้วพระบุทธเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายแม้ภาพจิตกรรมที่เขาเขียนไว้นั้น จิตตกรก็คิดด้วยจิตนั่นเองจิตนั่นเองวิจิตกว่าภาพจิตกรรมที่เขาเขียนไว้นั้นเพราะเหตุ น, นั้นแหละเธอทั้งหลายควรพิจารณาจิตของต น, นงเนืองว่าจิตนี้เศร้าหมองด้วยราคะโทสะโมหะเป็นเวลานานสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายบริสุทธ์เพราะจิตผ่องแผ้ว เราไม่พิจารณาเห็นสัตว์อื่นแม้เพียงผู้เดียวซึ่งวิจิตเหมือนอย่างสัตว์ดวรัจฉานนี่เลยสัตว์ดวรัจฉานแม้เหล่านั้นจิตกรก็คิดด้วยจิตนั่นเองจิตนั่นเองวิจิตกว่าสัตว์ดวรัจฉานแม้เหล่านั้นเพราะเหตุ น, นั้นเธอทั้งหลายกวรพิจารณาจิตของตนนึงเนืองว่าจิตนี้เศร้าหมองด้วยราคะโทสะโมหะเป็นเวลานาน สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เพราะจิตบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วภิกษุทั้งหลายช่างย้อมหรือจิตตกรเมื่อมีเครื่องย้อมก็ดีครั่งก็ดีขมิ้นก็ดีสีเขียวหรือสีแดงก็ดีพึงเขียนรูปสตรีหรือบุรุษมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนทุกส่วนลงบนแผ่นกระดานฝา หรือแผ่นผ้าที่เกลี้ยงเกลาแม้ฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจะให้เกิดก็ให้รูปนั่นเองเกิดก็ให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองเกิดภิกษุททั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยง เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่กวนยึดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นวาสิชฏสูตร ว่าโดยอุปมาด้วยดาบมีดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่มีได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไร ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมีคือเมื่อบุคคลรู้เห็นอยู่ว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดและความดับแต่ละประการนั้นเป็นดังนี้เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมีภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่ประกอบภาวนาอยู่เนืองๆถึงจะมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนาจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นถึงอย่างนั้นจิตของเธอก็ไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไร ข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะเธอไม่ได้เจริญเพราะเธอไม่ได้เจริญอะไรคือเพราะเธอไม่ได้เจริญสติประธานสี่ประการไม่ได้เจริญสมะประธานสี่ประการไม่ได้เจริญอิทธิบาทสี่ประการไม่ได้เจริญอินรียห้าประการไม่ได้เจริญภละห้าประการไม่ได้เจริญโพชงเจ็ดประการ และไม่ได้เจริญอริยะมักมีองค์แปดไข่ไก่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองไข่เหล่านั้นแม่ไก่ไม่ทับไม่กบไม่ฟักให้ดีแม่ไก่นั้นถึงจะมีความปรารถนาว่าทำอย่างไรหนาลูกของเราจึงจะทำลายกระเป๋ะไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจงอยปากออกมาโดยความสวัสดี ถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็ไม่สามารถออกจากไข่มาได้ข้อนั้นเพราะว่าไข่ไก่นั้นแม่ไก่ไม่ทับไม่กบไม่ฟักให้ดีแม้ฉันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่ประกอบภาวนาอยู่เนืองๆถึงจะมีความปรารถนาว่าทำอย่างไรหนา จิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นจิตของเธอก็ไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้เลยข้อนั้นเพราะเธอไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน 4, สีสมัปรฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดและอริยมรรคมีองค์แปดและโดยในยักษตรงกันข้าม เมื่อพิกษุประกอบภาวนาอยู่เนืองๆถึงจะไม่มีความปรารถนาว่าทำอย่างไรจิตของเราจึงจะหลุดพ้นเธอก็หลุดพ้นได้เพราะเธอได้เจริญสติประทานสี่ส ม, มัตประธานสี่เจริญอิทธิบาส4ีอินรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดและอริยามรรคมีองค์แปดเปรียบเหมือนไข่ไก่ถูกแม่ไก่กกฟักไว้อย่างดี แม้จะไม่มีความปรารถนาให้ลูกไก่นั้นฟักออกมาแต่ลูกไก่นั้นก็ฟักออกมาโดยดีแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันประกอบภาวนาอยู่เนืองๆถึงจะไม่มีความปรารถนาแต่จิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถึงมั่นได้เพราะเธอได้เจริญสติปัฏฐานสี่เป็นต้นนั้นจนถึงอริยมรรคมีองค์แปด รอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือปรากฏอยู่ที่ด้ามมีดของช่างไม้แต่ช่างไม้นั้นหารู้ไม่ว่าวันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปประมาณเท่านี้เมื่อวานนี้สึกไปประมาณเท่านี้วันก่อนก่อนศึกไปประมาณเท่านี้ที่แท้เมื่อด้ามมีสึกไปแล้วช่างไม้นั้นก็รู้ว่าสึกไปแล้ว แม้ชันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันเมื่อประกอบภาวนาอยู่เนืองๆหารู้ไม่ว่าวันนี้อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปประมาณเท่านี้เมื่อวานนี้สิ้นไปประมาณเท่านี้วันก่อนๆสิ้นไปประมาณเท่านี้ถึงอย่างนั้นเมื่ออาสวะสิ้นไปแล้วเธอก็รู้ว่าสิ้นไปแล้ว ภิกษุทั้งหลายเมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่องผูกคือหวายจอดอยู่ในน้าตลอดฤดูฝนพอถึงฤดูหนาวเขาก็เข็นขึ้นบกเครื่องผูกเหล่านั้นต้องลมและแดดถูกฝนตกรถย่อมผูกเปื่อยไปโดยง่ายแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อประกอบภาวนาอยู่เนืองเนืองสังโยชน์ทั้งหลาย ก็เสื่อมสิ้นไปโดยง่ายเช่นกันอานิจจสัญญาสูตรว่าด้วยอานิจจสัญญาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอานิจจสัญญาคือความหมายรู้ว่าไม่เที่ยง ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมครอบงำกามราคะคือความติดใจในกามคุณรูปราคะความติดใจในรูปธรรมภวะราคะความติดใจในภพและอวิชชาความไม่รู้จริงอนิจจสัญญาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมครอบงำแต่ละประการทั้งปวงได้ และถอนอัสมีมานะความถือตัวว่าเป็นเราทั้งปวงได้ในศาสตร์อุดูชาวนาเมื่อไถนาด้วยไถคันใหญ่ย่อมไถ ท, ทำลายรากหญ้าี่เกี่ยวเนื่องทุกชนิดแม้ฉันใดอนิจจสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมครอบงำกามราคะรูปราคะภวะราคะ และอาวิชาทั้งปวงได้ถอนอัศมิมาณนะทั้งปวงได้คนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่ายเกี่ยวเสร็จแล้วจับปลายเขยา่าฟาดสลัดออกแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมครอบงามราคะละอวิชาทั้งปวงได้ถอนอัศมิมาณนะทั้งปวงได้ เมื่อปวงมะม่วงขาดจากขั้วบรรดามะม่วงเหล่านั้นมะม่วงที่ยังติดอยู่ที่ขั้วทั้งหมดก็หลุดไปตามพวงมะม่วงนั้นกรอนของเรือนยอดทั้งหมดทอดไปถึงยอดรวมลงที่ยอดยอดเรือนชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากรอนเหล่านั้นกลิ่นหอมที่เกิดจากรากชนิดใดชนิดหนึ่งกลิ่นาชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากรากเหล่านั้น ล ก, ก, ลก ล, ววลิก่นหอมที่เกเดิดจากแกนชนิดใดชนิดหนึ่งจันแดงชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากแก anci, ่นเหล่านั้นกลิ่นหอมที่ทเกิดจากดอกชนิดใดชนิดหนึ่ง <theory> ดอกมะลิชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากดอกเหล่านั้นพระราชาผู้มีอำนาจน้อยทั้งปวงยอมคล้อยตามพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเลิศ กว่าพระราชาผู้มีอำนาจน้อยเหล่านั้นแสงสว่างของดวงดาวทั้งหมดไม่ถึงเซี่ยวที่ส6บหแห่งแสงสว่างของดวงจันทร์แสงสว่างของดวงจันทร์ชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าแสงสว่างของดวงดาวเหล่านั้นข้อนี้คือเปรียบเทียบด้วยการมองด้วยตาเปล่านะครับในศาสตร์ฤดูเมื่อฝนขาดหายปราศจากเมฆ ดวงอาทิตย์อุ่นไห้ขึ้นสู่ท้องฟ้ากำจัดความมืดที่มีอยู่ในอากาศทั้งหมดย่อมส่องแสงแผดแสงและแจ่มกระจ่างอุปมาทั้งหมดนั้นฉันใดอ น, นิจจาสัญญาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมครอบงามกามราคะรูปราคะภาวะราคะและอวิชชาทั้งปวงได้ถอนอสมิมานะทั้งปวงได้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 อ น, นิจจะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมครอบงามกามราคะรูปราคะภวราคะและอวิชชาทั้งปวงได้ทอนอัสมิมานะทั้งปวงได้